แนะนำก่อนฟังพระไตรปิฎกเขียนโดยโจโฉในนามชมรมผลดีแนะนำการฟังที่ดีไม่ว่าจะเป็นธรรมะหรือวิชาทางโลกก็ตามนะครับให้สักแต่ว่าฟังและน้อมจิตพิจารณาแบบสบายๆอย่าเคร่งเครียดอย่าตั้งใจเกินไปอย่าพยายามรู้ให้กระจ่างในทันทีเพราะระดับจิตแต่ละคนไม่เท่ากันโดยเฉพาะธรรมะ เป็นสิ่งที่ต้องมีวัยวุฒิคุณวุฒิมีประสบการณ์มีปัจจัยแวดล้อมอีกมากที่จะทำให้เข้าใจธรรมะได้กระจ่างจริงยกเว้นคนที่สะสมบารมีมาหลายชาติอาจเข้าใจได้ง่ายแม้อายุน้อยคนทั่วไปอาจต้องใช้เวลาฟังหลายรอบหรือฟังแล้วย้อนกลับมาฟังใหม่ในอนาคตซึ่งจะทาให้แปลกใจว่าสิ่งที่คิดว่าเข้าใจแล้วกลับไม่เข้าใจจริงแล้วยิ่งฟังซ้า จะยิ่งเข้าใจในสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวหนังสือมากขึ้นนะครับเมื่อฟังแล้วอย่าพึ่งด่วนคิดว่าเข้าใจหรือปักความเชื่อลงไปว่าข้อความที่จดจําได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วเพราะยังมีความหมายปลีกย่อยซ่อนไว้อีกมากที่ต้องเข้าใจแก่นธรรมะจริงก่อนจึงจะเข้าใจได้ถูกต้องครบทุกประเด็นทุกไตรยะไม่อย่างนั้นอาจจะกลายเป็นคนที่จดจําพระไตรปิฎกได้เก่งรู้ไปหมด แต่กลับตีความหมายผิดเดินผิดลู่ทางกลายเป็นสร้างกรรมหนักส่งผลเสียร้ายแรงให้กับตัวเองและพระศาสนาในที่สุดหากยังไม่เข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทดีพอนะครับไม่เห็นแจ้งว่าทุกสิ่งแม้แต่วัตถุสภาพแวดล้อมทั้งหมดรอบตัวล้วนเกิดมาจากจิตหรือวิญญาณวิญญาณในทางศาสนาคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ สภาพรู้อารมณ์หรือรู้แจ้งอารมณ์วิญญาณไม่ได้หมายถึงผีอย่างที่คนส่วนมากเข้าใจนะครับมีพุทธพจน์ตรัสไว้ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอาจแปลได้ว่าวิญญาณเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งซึ่งทุกสรรพสิ่งทั่วจักรวาลสุดท้ายแยกเหลือได้แค่นามธรรมกับรูปธรรมในวัตถุทุกชนิดมีวิญญาณแฝง จะเป็นวิญญาณคนละประเภทกับที่มีในมนุษย์และสัตว์เป็นวิญญาณชนิดไม่มีใจครองซึ่งวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ส่วนหนึ่งนานแล้วนะครับถึงพลังงานบางอย่างที่ไหลเวียนอยู่ในวัตถุทุกชนิดเป็นพลังที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติในทุกสรรพสิ่งซึ่งมีหน่วยพื้นฐานเป็นอะตอมมีการเคลื่อนไหวของอิเล็กตรอนอยู่ภายในตลอดเวลาวิทยาศาสตร์ยังจับต้องได้แค่บางสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยประสาททั้งห้าเท่านั้น แต่ยังไม่สามารถไปถึงการสัมผัสทางใจพลังงานในทุกสรรพสิ่งจึงเป็นเพียงหลักทางวัตถุซึ่งคงอีกนานกว่าจะเข้าใจถึงพลังงานแฝงในทุกสรรพสิ่งในแง่ของนามธรรมที่รับรู้ได้ด้วยพลังทางจิตที่ละเอียดและประณีตพอเท่านั้น ถ้าเข้าใจจุดนี้นะครับจะมองเห็นไม่ยากว่าแม้ศาสนาอื่นมีคำอธิบายเรื่องธรรมชาติของสิ่งต่างๆได้แทบไม่ต่างกับหลักของพุทธศาสนาเพียงแต่ใช้คำเปรียบเทียบหรือพูดให้เข้าใจเห็นภาพง่ายขึ้นเท่านั้นเช่นพระเจ้าคือผู้สร้างทุกสรรพสิ่งพระเจ้าสถิตยอยู่รอบตัวทำดีเพื่อกลับไปอยู่ในอ้อมกอดพระเจ้าซึ่งใกล้เคียงกับการทาดีเว้นชั่วทาจิตผ่องใสชาระจนจิตบริสุทธ เพื่อเข้าสู่กระแสนิพพานที่ไม่ศูนย์แต่ไม่มีตัวตนคือกลับไปรวมเป็นพลังงานเดิมแท้ที่ไม่มีตัวตนแต่ไม่ได้สูญหายไปไหนเป็นพลังงานพิเศษที่แทรกเสริมอยู่ในทุกสรร พ, พสิ่งทั่วจักรวาลบริสุทธิ์อยู่เหนือสุขและทุกทั้งปวงหัวข้อเรื่องวิญญาณเป็นผู้สร้างทุกสรร พ, พสิ่งถือเป็นหลักสําคัญที่จะทําให้เข้าใจกฎแห่งกรรมกฎของธรรมชาติต่างๆ ได้ลึกซึ้งดีพอจนเข้าใจข้อความในคาภีได้ลึกซึ้งถูกต้องตรงทางได้จริงและทำให้เข้าใจหลักทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องด้วยเช่นกันนะครับซึ่งวิทยาศาสตร์คือความจริงธรรมะก็คือความจริงของสิ่งทั้งปวงเพียงแต่วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยังไปไม่ถึงความจริงแท้ที่สุดเท่าการรู้เห็นของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองสาหรับการปฏิบัติธรรม หากยังไม่เคยฝึกเจริญสติจนเกิดภาวะที่ผู้รู้ตื่นเห็นจิตกับกายนี้ทำงานเป็นต่างหากอย่างชัดเจนนะครับก็อย่าพึ่งด่วนปักใจเชื่อในความรู้ความเข้าใจธรรมะของตนที่มีเพราะว่ายังเดินมาไม่ถึงระดับจะเห็นความจริงเบื้องต้นได้นะครับต่อให้คิดว่าเข้าใจทฤษฎีจนแตกฉานแล้วก็ตามเมื่อผู้รู้ตื่นจะได้เห็นธรรมชาติแท้จริงของจิตที่หลงคิดว่าเป็นตัวเรานี้ แท้จริงมีสภาวะไม่เที่ยงไม่มีตัวตนไม่ใช่เราบังคับไม่ได้หรือที่เรียกว่าเห็นไตรลักษณ์ของจิตต้องเป็นการเห็นสภาวะจริงจากประสบการณ์ตรงเท่านั้นสิ่งนี้คือต้นทางสายเอกสายตรงที่มุ่งไปสู่การบรรลุ ธ, ธรรมไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมรูปแบบใดควรเข้าถึงสภาวะแบบนี้เป็นต้นทางด้วยไม่ใช่แค่เป็นคนดีมีศีลชอบทำบุญไม่ทําร้ายใคร จดจำคำพีได้แม่นยำหรือแค่การบังคับจิตให้สงบแช่นิ่งได้ยาวนานที่สุดซึ่งคนที่เข้าใจธรรมะด้วยสมองแต่ยังไม่ได้เข้าใจด้วยจิตหรือประสบการณ์ตรงรวมถึงกำลังสมาธิบวกกิเลสโดยเฉพาะโมหะที่อาจมีซ่อนอยู่อาจสร้างภาพหลอกให้หลงจนเพอ้อเชื่อในสิ่งพิสดารแปลกประหลาดตีความธรรมะผิดเกิดมิจฉาทิฏฐิฝังแน่นได้มากเกินจะค่าเดานะครับ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่กล่าวมาหลักสำคัญทั้งสองข้อนี้จำเป็นมากนะครับต่อการการันตีว่าเราเข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งถูกต้องตรงทางจริงถ้าหากยังไม่ผ่านทั้งสองจุดนี้อาจมีโอกาสหลงทางเดินผิดทางได้ง่ายเป็นสิ่งที่อยากฝากเตือนสติท่านที่คิดว่าเข้าใจธรรมะดีแล้วได้พิจารณาตนว่าเข้าใจทฤษฎีเบื้องต้น และปฏิบัติจนเกิดภาวะผู้รู้ตื่นกันได้จริงหรื อ, อยังถ้ายัางก็อย่ามั่นใจว่าสิ่งที่ท่านรู้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับแม้จะท่องตัวหนังสือบาลีตามพระไตรปิฎกได้ถูกต้องทุกคําก็ตามธรรมะไม่เหมือนวิชาทางโลกจะเข้าใจจริงต้องมีคุณภาพจิตที่สูงสะอาดใสพอจะเข้าใจในทุกแง่มุมก่อนด้วยหากเข้าใจหลักเบื้องต้นก่อนแล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้น ไม่กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิผ่านการท่องพุทธพจน์อ้างคำพระพุทธเจ้าแต่อ้างผิดประเด็นผิดนัยยะเป็นกรรหนักด้วยการบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่รู้ตัวนะครับหลังเขียนบทความนี้ลงในเว็บไซต์นะครับปรากฏมีคนของขึ้นส่งข้อมูลการกำเนิดโลกตามหลักวิทยาศาสตร์มาให้เต็มไปหมดบอกด้วยความหวังดีคือเขาต้องการค้านกับหลักที่อธิบายไปว่า วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปผมนี่ก็เปลีย่ยหัวใจกับคนพวกนี้ละเกินถึงบอกเล้ครับว่าตราบได้ยังเจริญสติจนเกิดผู้รู้เห็นจิตและกายทางนานต่างหากเหมือนเรานั่งดูละครที่เป็นตัวเราเล่นแล้วแยกกันชัดเจนยังทำสิ่งนี้ไม่ได้และยังไม่เข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดจากวิญญาณได้จริงก็อย่ามั่นใจเลยครับในสิ่งที่ตนเองรู้เพราะหลักวิทยาศาสตร์ที่เรียนกันนะ่ มันแค่หลักเบื้องต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความจริงในด้านรูปธรรมที่เน้นการจับต้องสัมผัสได้จากประสาททั้งห้าเท่านั้นซึ่งในความจริงหลายอย่างมันจับต้องไม่ได้แต่รู้ได้จากสัมผัสละเอียดทางใจเท่านั้นหลายเรื่องเลยนะครับที่วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงซึ่งคงไปถึงได้ยากถ้าจะหมูพิสูจน์หลายสิ่งโดยใช้หลักพื้นฐานแค่การรับรู้จากประสาททั้งห้า ที่เน้นในแง่ของนามธรรมเท่านั้นโลกมีกําเนิดจากองค์ประกอบเคมีหรือจะมีขั้นตอนอย่างไรก็ตามนั่นคือหลักทางวัตถุในเบื้องต้นแต่น้อยคนจะเข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดจากวิญญาณอย่างไรเช่นเมื่อยังมีความอยากอาหารอยากกินจึงเกิดพลังเหนี่ยวนําให้เกิดร่างกายมีระบบเพื่อกินอาหารมีสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดแหล่งอาหาร เมื่ อ, อยังมีความกลัวตายมีความยึดมั่นมีความติดใจในการมาคุณจะมีพลังเหนี่ยวนาให้ต้องเกิดใหม่ไม่รู้จบให้มีรูปกายใหม่เพื่อตอบสนองความอยากในจิตต่อไปและเมื่ อ, อยังต้องเกิดก็ต้องมีภพภูมิมารองรับให้เหมาะสมกับน้ำหนักกรรมกระบวนการทางเคมีที่เกิดเป็นโลกเป็นต้นไม้ภูเขาคือขั้นตอนหนึ่งแห่งการกาเนิด แต่จุดที่กระตุ้นให้เหนียวนาให้เกิดโลกและสิ่งแวดล้อมต่างๆล้วนมาจากวิบากในจิตที่สะสมไว้หรือเกิดจากพลังแห่งวิญญาณสมดังพุทธพจน์ ท, ที่ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปหรือแม้แต่ในหลักของศาสนาอื่นว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งพระเจ้าแทรกซึมอยู่ในทุกสรรพสิ่งถ้าเข้าใจนะครับจะรู้ว่าทาไมถึงมีหลายภพภูมิ ที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับสภาวะจิตที่ต่างกันอย่างไรแม้แต่ดาวดวงอื่นที่พระไตรปิฎกยืนยันว่ามีมนุษย์อยู่จริงมีลักษณะและความประณีตต่างกันแค่ไหนโลกเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งในจักรวาลเท่านั้นยังมีอีกมากที่วิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ยังไปไม่ถึงพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าโลกลมในขณะที่คนทั่วโลกเวลานั้นเชื่อว่าโลกแบน และเพิ่งมาค้นพบว่าโลกลมจริงภายหลังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตั้งสองพันกว่าปีอันนี้เป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าพระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งทุกสรรพสิ่งและมีความรู้อีกมากที่วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงจึงอย่าเพิ่งปักใจในความรู้หยาบที่เป็นเพียงเรื่องของวัตถุเผื่อใจไว้รับรู้อย่างอื่นบ้างนะครับและอย่าเพิ่งค้านอะไรหากยังไม่ได้ศึกษาปฏิบัติให้ละเอียดจริงเหมือนคนไม่เชื่อว่าผีมีจริง คุณจะไม่ผิดเลยนะครับถ้าได้ลองศึกษาจนแตกฉานและปฏิบัติเจริญสติจนแยกจิตกับกายได้จริงหรือได้จุดหนึ่งในระดับที่ดีพอก่อนไม่ใช่ไม่ทำอะไรแล้วอ้างว่าถ้ามีจริงทําไมฉันไม่เห็นสัมผัสไม่ได้มันเหมือนคนบ้านะครับที่ปิดโทรทัศน์ร้องว่าไม่เห็นมีรายการทีวีอะไรดูเลยถ้ามีจริงต้องปรากวภาพไมหเห็นสิ เรื่องพบภูมิกลับชาติมาเกิดฝรั่งเขาก็ศึกษากันเยอะมากจนเป็นสารคดีระดับโลกแล้วนะครับเช่นการระลึกชาติทั้งการเก็บประวัติทั่วโลกเดินทางไปพิสูจน์ด้วยนักวิทยาศาสตร์จนยอมรับว่าน่าเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงทั้งการสะกดจิตระลึกชาติและจำเหตุการณ์สมัยก่อนได้เล่นดนตรีได้ทั้งที่ไม่เคยฝึกมาก่อนยังมีกรณีผีมาเข้าฝันว่าศพอยู่ที่ไหนเป็นข่าวหน้าหนึ่งประจา ทั้งมาเข้าฝันเคาะห้องหรือผีเด็กบางทียังร้องให้ได้ยินจนจับผู้ร้ายได้ในที่สุดก็มีมาแล้วนะครับสําหรับเรื่องผีต้องเข้าใจว่าผีมีหลายแบบและไม่ใช่ต้องทำอะไรได้ทุกอย่างเหมือนกันมันมีปัจจัยเพื่อการปรากฏตัวให้เห็นให้ได้ยินที่ต้องสอดคล้องพอดีและไม่ได้พบเจอหรือปรากฏให้เห็นกันได้ง่ายๆนะครับจริงๆถ้าศึกษาปฏิบัติถึงจุดหนึ่งที่มากพอ จะเข้าใจเองว่ามีจริงหรือไม่โดยไม่ต้องได้พบของจริงเลยเพราะความเข้าใจธรรมะในระดับลึกพอจะทำให้เห็นตามจริงได้ง่ายถึงเรื่องต่างมิติทั้งความบริสุทธิ์ของจิตที่จะรู้เองว่าพระพุทธเจ้าและพระเกจิอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีต่างๆท่านคงไม่โกหกเราแน่ไม่มีทางแต่งเรื่องมาหลอกให้คนทำความดีอย่างที่เข้าใจกันรวมถึงจิตที่พ่องใสเข้าถึงพลังของจิตอย่างแท้จริง จะรู้เห็นอะไรเหนือสัมผัสหยาบได้อีกมากจนเห็นได้ชัดว่าตายแล้วต้องเกิดอีกหรือไม่พบชาติมีจริงหรือไม่เป็นการรู้เห็นจากใจตนเองที่ต้องศึกษาปฏิบัติไม่ใช่เอาแต่อยู่เฉยๆแล้วปักใจในสัมผัสหยาบของตัวเองเชื่อมั่นในตำราที่ยังไม่ถึงที่สุดของความจริงแล้วก็ยืนยันว่าผีไม่มีจริงเพราะถ้ามีจริงฉันต้องเห็นฉันต้องจับได้แบบนี้เขาไม่เรียกนะักวิทยาศาสตนะครับ เพราะนักวิทยาศาสตร์ของจริงจะไม่ปฏิเสธอะไรว่าไม่มีหากไม่ได้พิสูจน์และศึกษาอย่างแท้จริงเขาจะแค่บอกว่ามันยังพิสูจน์ไม่ได้เท่านั้นน่าเห็นใจสำหรับคนบางกลุ่มนะครับเพราะการสอนศาสนาส่วนหนึ่งที่คนทั่วไปเจอก็เน้นสอนในเชิงศรัทธาให้เชื่อไว้ก่อนหรือปฏิบัติไปก่อนเดี๋ยวรู้เองซึ่งถ้าทนปฏิบัติจริงๆก็จะรู้เองจริง คนส่วนใหญ่ไม่มีความเพียรขนาดนั้นหรอกครับการสอนศาสนาโดยขาดการอธิบายแบบเป็นเหตุเป็นผลที่น่าเชื่อถือพอการแม้แตกชานพอจะอธิบายให้คนรุ่นใหม่เข้าใจได้จริงแม้จะเล่าเรื่องพบภูมิให้ฟังก็กลายเป็นฟังและดูงงงายหนักเข้าไปอีกซึ่งจุดสำคัญของศาสนาไม่ใช่เรื่องผีเทวดาพพภูมิหรือนรกสวรรค์แต่อย่างใดนะครับ เป็นเพียงส่วนประกอบย่อยเท่านั้นหลักสำคัญคือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันการเจริญสติจนเห็นจิตไม่เที่ยงไม่มีตัวตนไม่ใช่เราต่างหากซึ่งจุดสำคัญนี้กลับเป็นสิ่งที่สอนกันน้อยกว่าการทำสมาธิบังคับจิตให้สงบหรือเรื่องทำดีขึ้นสวรรค์ทำชั่วตกนรกซึ่งทั้งหมดก็จาเป็นต้องสอนนะครับแต่ต้องการคนที่แตกฉานอธิบายได้ละเอียดพอด้วย ถ้าไม่สามารถทำให้คนเชื่อและเข้าใจได้ถูกต้องจริงจะส่งผลเสียหายกลายเป็นการงมงายในเรื่องต่างมิติอย่างที่เห็นได้ทั่วไปในปัจจุบันนี้นะครับแม้แต่พระพุทธองค์เองซึ่งทรงแตกฉานในเรื่องพบภูมิที่สุดแล้วกับคนบางกลุ่มบางคนท่านก็ไม่ทรงตรัสไม่ตอบคำถามเรื่องพวกนี้นะครับและนาเข้าสู่การปฏิบัติสอนหลักธรรมะโดยตรงเลย เพราะรู้ว่าจริตคนพวกนี้มีปัญญาพร้อมจะฟังธรรมเลยจุดที่จะมาฟังเรื่องเหล่านี้แล้วเข้าหลักสำคัญเลยดีกว่าและบางคนขี้สงสัยมากยิ่งเ่าจะยิ่งถามไม่จบสิ้นจนไม่สนใจหลักสำคัญจะเสียเวลาเปล่าท่านจึงตรัสว่าอย่าไปนสนใจเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ทางดับทุกข์เหตุนี้เองคนบางกลุ่มจึงเข้าใจผิด และยึดเอาประโยคนี้มาเผยแพร่ต่อว่าไม่ให้สนใจเรื่องภพชาติและกสวรรค์กรรมเก่าโดยไม่ยอมเข้าใจว่าสำหรับคนที่เหมาะสมพระพุทธองค์ทรงตรัสเล่าเรื่องพวกนี้ไว้มากมายบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเยอะแยะไปหมดนะครับการนำคำสอนที่ท่านเจตนาสอนสั่งคนบางคนบางเวลาบางสถานการณ์และมาเหมารวมว่าเป็นคาสอนหลัก ถือเป็นความเสียหายต่อตนเองและพระศาสนาอย่างยิ่งนะครับจึงควรใส่ใจละเอียดรอบคอบและศึกษาให้แตกฉานจริงมองในภาพรวมอย่าจับแค่บางจุดจับบางคําเท่านั้นมายึดมั่นถือมั่นว่านั่นถูกต้องที่สุดไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นบิดเบือนคําสอนพระศาสดาที่ส่งผลเป็นบาปใหญ่ให้ตัเองไปหลายภพชาติได้และไม่ง่ายเลยนะครับที่จะกลับตัวกลับใจ ถอนมิจฉาจิติให้ตนจากกรรมที่กล่าวตูวพุทธพจน์โดยไม่ได้เจตนาแบบที่หลายคนกำลังทำอยู่ทุกวันนี้สรุปไม่ว่าการเข้าใจทางโลกหรือทางธรรมควรศึกษาให้เข้าใจเบื้องต้นถึงเรื่องทุกสิ่งเกิดจากวิญญาณและปฏิบัติให้เกิดสภาวะผู้รู้ตื่นเห็นจิตและกายทำงานเป็นตังหกให้ได้ก่อนจึงจะประกันเบื้องต้นได้ว่า สิ่งที่ท่านรู้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงทางถ้ายังไม่ถึงจุดนี้ก็เผื่อใจไว้รับรู้ข้อมูลอื่นบ้างนะครับไม่อย่างนั้นความพาดเพียรในการปฏิบัติศึกษาอาจเสียเวลาไปฟรีชาติหนึ่งอย่างน่าเสียดายสำหรับท่านที่สนใจเรื่องภพภูมิแบบสนุกไม่งมงายก่อศรัทธาทำให้เข้าใจศาสนาได้ดีขึ้นแนะนาให้เปิดฟังเรื่องแววเสียงสวรรค์โดยอาจารย์พรรัรตนสุวรรณผู้เชี่ยวชาญประไรปิฎก ฟังแล้วอย่าเพิ่งคานะครับฟังสบายสบายให้จบเรื่องก่อนเรื่องเนี้เปลี่ยนชีวิตคนมาหลายคนแล้วรวมถึงตัวผมด้วยนะครับที่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนชีวิตแต่เปลี่ยนศาสนามานับถือพุทธและทำให้เข้าใจคำสอนของครูบาอาจารย์รวมถึงพระไตรปิฎกได้ละเอียดขึ้นด้วยถ้าสนใจก็ลองโหลดมาฟังดูนะครับที่โจโจเนเช่นกัน